ลุงพ่อสังวานก็บอกว่าต่อไปจะรู้เองเมื่อน้ำฝนไปกราบพระหลวงตาลุงพ่อสังวานก็คอยถามถึงเสมอจนเมื่อโครงการพระป่าช่วยชาติเริ่มขึ้นน้ำฝนก็ไปกราบเรียนท่านลุงพ่อก็บอกว่าจะช่วยข้างหลังนี่ลหละเพราะท่านป่วยแขนขาไม่ดีหลังจากนั้นท่านก็ฝากทองให้น้ำฝนไปถวายหลวงตาเสมอ